ยังไงเรามาวัดมาว่าวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยจิตใจให้เยือกเย็นสงบงานทั้งกายงามทั้งวาจางานทั้งใจเพราะใจเป็นรากฐานข่งความงามใจที่จะงามได้เพราะอะไรเพราะทำทำเป็นของที่งามอยู่แล้วไม่มีอะไรที่งามเกินทำไม่มีอะไรมีคุณค่าเกินทำในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเท่านั้นเป็นที่หนึ่งที่เราขาดสตางค์ใดๆก็ตามมาตรสรู่นั้น จัตทะรูธ้ธรรมนี่แหละมาเจอธรรมผู้ภาษาของเรานะ่ยธรรมมีอยู่ประจําโลกมาแต่กาลนั่งไหนแต่ในขณะที่ธรรมไม่เจอธรรมก็เพราะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดมีเท่าไรมันก็ไม่เจอเหมือนคนตาบอดมองดูสีแสงดูอะไรมันก็ไม่เห็นไม่เจอบนเวลาจะเตือก็นหน้าผากใส่ตังค์เข้าไปเพื่อนไม่เห็นจะไปโดนเราเลยท <ừ. S 1> ีนี้ธรรมคาว่าธรรมนั่นมันจะมี <ừ. S 1> ทั้งมีทั้งชั่วแทรกกันอยู่ใง น, นั้นคือเป็นหลักธรรมชาติ บนเราก็เคยลําผัสบาปก็สัมผัสกันมาตลอดหากไม่รู้คืออะไรน <c oughs> ี่แหละมันมีมันเป็นอย่างนั้นทีนี่ใจเมื่อได้รับการอบรมดังผูทีเจ้าของเราท่านทรงอบรมเรียบร้อยโดยลําพังพเขาโอเคแล้วทรงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายถึงว่าตรัสรู้คือรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายที่มีอยู่แล้วเอาธรรมทั้งหลายนี้มาสั่งสอนโลกไม่ใช่ทํามไม่มีนะมีแต่ไม่มีใครเจอเมื่อพบเจอแล้วจึงบอกวิธีการสอนให้เจอธรรม บอกวิธีการสอนบําเพ็ญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสอนวิธีการแล้วจะเข้าไปเจอความจริงกันนั้นเหมือนจะบอกให้เราตามรอยโคหรือรุ่งมาวัดป่ามนตาดให้บอกว่าให้มาเช่นมาถึงสีแยกขคงกริ้งสีแยกโรงเคงแล้วให้ถ้ามาจากขนแก่นก็ให้เลี้ยวซ้ายมาจากอุดรให้เลี้ยวขวาแล้วให้มาตามทางลาดยางทางลาดยางไปไหนให้ไปตามทางลาดยางนี่อยา่ยาแยกอย่าแวะนะแล้วจะถึงหน้าวัดป่ามันตาดแล้วเข้าถึงวัดป่ามันตาดโดยไม่ต้องสงสัย นี่คือแผนที่บอกอย่างนี้แล้วมาตานั้นก็ถูกเต่เลยนี่แหละแนวทางของทรรมที่ท่านสอนว่าแบบเป็นฝ่ายมั่งคือฝ่ายดําเนินให้เรารู้วิธีการแผนแผนนคิดทางเดิมบอกมาอย่างนี้แล้วก็มาถึงนี้ก็ได้การปฏิบัติตัวคือเหมือนซันเช่นการให้ทางการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนารักษากิยามายาช่างความมีประเภทต่างๆเข้าสูอใจ เราก็พยายามทําตามทา่านแล้วผลที่จะบรรลุตามหมก็เช่นเดียวกับเรามามาวัดป่าวัดตากแล้วเจอวัดป่าวัดตากไหมมนเจอวัดป่าัดตากแล้วเจออะไรบ้างมันจะเห็นสิ่งใดที่อยู่ในวัดป่าวตาจะเห็นหมดดูหมดพะลงสนะลาพระเนรถังห้างอะไรๆเห็นไม่หมดนั่เพราะมันมีอยู่ในวงวัดตามที่เฉลิมคิดบอกมานั้นพราะนี้เรื่องธรรมทั้งหลายท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็เหมือนกันนี่แหละเห็นนรกสวรรค์โคลมโลกนิพพาน บาบุบญี่เป็นของที่มีอยู่ได้ทั้งนานไม่ใช่ไม่มีนะแต่พวกตาบอดหมบอกมันไม่เห็นจะว่าไงก็เหมือนวัตถุต่างๆมีคนตาบอดมันไม่เห็นจะว่าไงเนีเสียงมันก็มีอยู่ลั่นโลกทาตอยู่แต่คนหูหนวกไม่ได้ยินจะว่าไงล่ะคนหูดีปฏิเสธได้หมที่นีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี <Okay. S 1> ก็เห็นอยู่รู้อยู่ปฏิเสธได้อย่างไนก็ต้องยอมรับ <c oughs> นั่นเราเรียกว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่คือท่านผู้ตาดีหูดีท่านเห็นท่านยอมรับ เซอเอาสิ่งที่ยอมรับนั่นแหละมาสอนโลกมาใช่ของไม่มีเวลาจะไปอุตรรีนะแบาบาปไม่มีนั่นแหละยิ่งค น, คนที่แบบบาปไม่มีคนนั่นแหละจะหาบบาปหอบกรรมหนักมากกว่าเพื่อนท่านทั้งหลายเหมือนกับคนตาบอดนั่นแ่ะอวดดีแล้วก็เดินไปเรื่อยไม่ระวังเรืองแล้วหัวหน้าผากมันอาจจะแตกกวเพื่อนคนเขาพวกเขาตาดีเขาไม่แตกหรอกนะเขาหลบเขาหลีไปแต่นคนตาบอด่มันหวัวแตกหน้าผากมันเปี่ยงเลยอวดดีอ่ะ ตาตาตาไมเห็นเราเข้าใจของเท่าไหลายไม่มีโดนเอาโดดเอาเนี่ยจะไปโดนนรกว่าบาปไม่มีบาปเปนทางไปหานรกนี่นะแล้วก็อยู่ในแดนโรกก็คือบาปอีกด้วยทางหาแดนโลกก็คือบาปอีกด้วยเนี่ยทางบาปก็ไปหาแดนนรกสมโภกรรมก็สวยบาปของเจ้าของนี่นะท่านสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายทราบว่าบาปมีบุญมีคำว่าบาปก็หมายแต่สิ่งชั่วช้านวกสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายท่นหลับมาสัมผัสสัมพันธ์ทัง กาทางใจนี่แต่สิ่งที่ไม่พึงหวังเหมือนไฟเผาก็้ไปเผาก็าไปเผ า, า, าน้อยเผามากเผาจนคิบหายผลปีเป็นเข้าเป็นผงไปหมดกันนั่นอันนี้คือมือนกันบาปเผาคนก็เผาอย่างนั้นคิบหายใบพวงแต่ใจคิบหายจริงๆมันไม่ชิบหายเพราะใจตายไม่เป็นใจต้องยอมรับทุกทรมานทุกมากขนาดไหนใจต้องยอมรับแต่เมื่อหมดวาละของกรรมชั่วแล้วก็เสวยกรรมดีถ้าได้สร้างกรรมดีไว้คนมาสร้างกรรมดี ตลอดไปไม่ไม่มีต้องมีอยู่จนได้และไม่สร้างความชั่อตลอดไปไม่มีต้องมีอยู่จนได้เพราะฉะนั้นคำว่าดีว่าชั่วถูกทุกจึง ส, สับคนยันเดียวคนคเดียวเลยตัดแต่และตัวละตัวแต่และรายร า, ายดนั้นในภพข้าเป็นมีศัพ์มีควนมีเนื้เพราะคนคนนั้นคนสร้างไว้ในพระกันจอมไว้นะนี่เป็นหลักความจริงของศาสนา พ, พูดพูดเท่าแต่ว่ากู้รู้กูเห็นทุกพระองค์เหมือนกันหมดไม่ได้สอนแย่ย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้ต่างต่างกันเลยเพราะความจริงทั้งหลายเหมือนกันการมาเห็นมาเห็นความจริงเหมือนกันสอนเจึนสอนแบบเดียวกัน มบอสัพพภาษารการานังการมทา ท, ทําบาปทั้งปวงนั่นแหละเป็นของดีเยี่ยมนี่กุฏิทูตประมดาการ ส, สร้างความฉลาดในทางอัตตังทำให้ถึงพร้อมภายในจิตใจหนึ่แต่กิตรปริยวรปานงังการทํากิจทุนให้ผ่องแพร่จนกระทัง่งถึงความบริสุทธิ์หนึง่งเอตังภทธานาสาจานางังนี่เป็นคําสอนของพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฟังเดิเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนแต่โยม เพราะเห็นแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันสิ่งทั้งหลายที่ใจรู้เห็นมีอย่างเดียวกันหมดก็สอนแตกต่างกันไปมาได้เพราะเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนอย่างพวกเรามาเห็นมาเห็นมะป่ามตากเป็นยังไงก็ต้องพูดแบบเดียวกันต้อพูดอย่างอื่นเห็นมะปรามตากเอาจะไปพูดแบบว่ามันหองแท่งได้ไหมจะพูดแบบว่าท่าของเพนได้ไหมก็ไม่ใช่ว่าท่ามของเพนนี่เมื่อไปเห็นวัดท่องเพนแล้วก็ต้องพูดแบบว่าท่ามเพนจะมาพูดแบบว่าต่ามตากไม่ได้นี่เรามาเห็นน้ดปรามต่างเป็นยังไงนี่เราไปเห็นอันนั้นแต่นั้นนั้นเป็นยังไง ที่ว่าบาว่าบุญนรกสวรรค์เป็นยังไงมันก็ต้องเจอไปตามหลักหลักธรรมชาติเพรมันรักธรรมชาติน่ะอย่าที่ตั้นบอกว่าสวรรค์มีกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นมันก็เจอไปเจอเหมือนกับบ้านหก็ดชั้นแปดชั้นนั่นแหละมันมันก็เจอไปอย่างนั้นเราเที่ยวนะนี่นะท่านจําเอานี่คือหลักความจริงให้พากันสอนใจของเราที่มันกําลังโงงๆให้กิเลสฉลาดมันกล่อมใจทั้งเราไปทําที่ผิดจนหมด ที่เหลือมันไม่พาคนไปทางดีนะทำแต่หา่าพาคนไปทางดีเพราะจุระวังเรื่องทํามันจะมาสิกขาสิกขาจะไปวัดไปวากับครัวเสียงินลําเวลาจะทําบุญให้ทางครัวจะสิ้นจะเพืองพอเวลามันเข้าหลงบ้าหลงบาปหมดวันทลางคำ่ำคุณรุ่นจนตจิณิตตาหัวลานะ้ํามันไม่ว่ามันทุกข์มันลําบากไม่ว่ามันจนมนันมีมันเป็นยังไงมันก่อมขนาดนั้น ร, รู้ไหมพวกเราเอาละพอเอีบบง มันเงน่อยแล้วจีว่างไงไม่เอง า, างได้เหรือมันจะตายแล้ว ค, คนเดียวพูดหูมันตั้งายร้อยหูนี่วะมาไงท่านรองดังนั้นนะอาจารย์ท่านรอง <c oughs> บง่บงเบง่บงบ่งเบ่งเหมือนผู้เท่าตีร้านเนี่ยอ <c oughs> มีแต่โรคอย่างเดียวยาไม่มีหมอไม่มีคนไข้ทิหายผนปี้ไปหมดเพราะอำนาจแห่งโรคบีบบังคับทนไม่ไหว โรคของกิเลสที่มันมีอยู่ภายในหัวใจของสัตว์ก็เหมือนกันต้องมีธรรมมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนแล้วกับพวกเข้าทมะนั้นร่วงไหลเข้าสู่ใจกำจัดโรคภายในจิตใ จ, จนั้นให้ค่อยเหือแท่งและหายไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึง ความบริสุทธิ์พุโทโธหมายถึงหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยการทั้งปวงได้เพราะอำนาจแห่งยาและหมอเนี่ยเช่นเดียวกับคนไข้วิ่งเข้าไปหาหมอนในโรงพยาบาลหรือใจว็ฝากไว้กับหมอเลยเพราะเจ้าของไม่สามารถจะรักษาตนเองได้เมื่อไปถึงหมอแล้วก็มีทางที่จะหายได้ถ้าไม่ใช่โรคแบบไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิน้นนี่แะยากับหมอจึงเป็นของสาคัญ สำหรับโลคนี่ธรรมะกับเรื่องของโลกที่อยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมสงเท่ากับความจงรักภักดีต่อตัวของเราเองเพราะธรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อประโยชน์สาหรับใครเพื่อสำหรับผู้ที่มีความเคารพรักเลื่อมใสาตามเหตุผลที่ถูกต้องดีงาม อันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี่เท่านั้นเมื่อใดมีความจงรักภักดีต่อธรรมผู้นั้นมีความสมหวังจะพึงเป็นไปเพื่อความสมหวังโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงความสมหวังบริบูรณ์เพราะอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติตัวก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปทําอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับต้นไม้ภูเขาไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศ หรือฟ้าแดบ ด, ดินลมที่ไหนทําไม่อยู่อยู่กับหัวใจของคนผู้รักใคร่ฝ่าธรรมนั่นแหละหัวใจใดก็ตามถ้ามีความฝ่าธรรมทำก็ไม่อยู่หัวใจที่มีความรักใคร่ฝ่ธรรมมีความเคารพเร่อมสายตามหลักความจริงที่ธรรมสอนไว้ทำชอบจะอยู่ที่นั่นเกิดที่นั่นรักษาผู้นั้นท่านยังว่าธรมโมเหเวรคติธรรมจารินมาทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว คืออยู่ก็เป็นคนดีมีความสุขความเจริญตายไปก็เป็นสุขเกิดในภพใดก็ตามคนมีบุญคนมีธรรมย่อมไม่ตกต่ํำจอมประเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นขอให้สั่งสมคุณงามความดีอันเป็นเครื่องสมหวังนี้ไว้ภานในจิตใจของตนเถิดการประเกิดที่ไหนนั้นมันไม่ล่าไม่สายไม่ครื้ไม่ลาสมัยขอให้มีความดีสําหรับใจเท่านั้นเองถ้าใจไม่มีความดีจะอยู่ก็ลาสมัยก็ครื ไ ม, ไม่มีประโยชน์อะไรคนคนนั้นหายใจฟอดฟอดอยู่เช่นนั้นพอลมหายใจหมดไปแล้วก็มันก็เหมือนขอนสูง่ะขอนสูงไม่เนา่ามนุษย์เรานี่เนา่าแต่มีศีลทมแล้วไม่เนา่าหอมหวนเราได้คิดดูสิกระดูกของเราเนี่ยเพียงผ่านปา่าช้าไปก็กลัวแล้วกลัวขีกระดูกของพระพุทธเจ้ากระดูกของพระรหัสรหัเป็นยังไงใครก็มีถึงจะอยากได้อยากได้กวาดเอาจกนกระทั่งถึง ถ้าอังคารเท่าฐานไม่มีเหลือนี่มันทําไมมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูสินี่แหละที่ว่าท่านตายแล้วท่านท่านไม่เหม็นเหมือนเราท่านหอมหวนชวนให้กราบไหว้บูชาตลอดมาเนี่ยต่างกันเพราะอํานาจของศีลธรรมเนี่ยทําให้หอมหวนอันเรื่องหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเหมือนกันนั่นแหละแต่เมื่อศีลธรรมเข้าไปเคลือบแฝงแล้วมันทําให้หอมหวนไปได้หมดอํานาจของธรรมจึงเป็ น, เ ป, นเป็นของที่วิเศษีิสูจมาก เราทั้งหลายจึงควรสนใจบุคคลปฏิบัติการรักษาศีลก็ให้รักษาให้เป็นเหตุเป็นผลให้เป็นชัตดเป็นจริงอย่าสักแต่ว่ารักษาพุทธทางธรรมังสังฆังสนังชามิอย่างที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็การถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้เป็นสาระคือเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทธธรรมสงฆ์หวัวใจจะดิ้นขาดลงไปเมื่ อ, อไรก็ตามขอให้ขาดกับพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยถนัดสมหวังคนนั้นถ้ากรงกิจได้มีความดี เข้าเครือบแฝงหรือมีความดีเข้าสนับสนุนหรือมีความดีเข้าไปรักษาแล้วตายเนี้ยก็ตายเถอะไม่ได้ตกใจไม่ได้เสียใจไม่จําเป็นจะต้องนนมนุ์พระมากุชลามาติกาคุชลาธรรมากุชลาธรรมาให้ยุ่งไปเปล่าๆ น, น, น, น, น, นั้นหมดหวังแล้วทั้นกับมาเฉยๆเลยนะไอ้เรื่องสิ่งที่อยู่ในความหวังซึ่งเราจะควรได้ก็คือการสร้างความดีไว้สำหรับตนเสียแต่บัดนี้อย่าได้ตมาตนอนใจว่าวันนั้นดีวันนี้งามเอ เวลานั้นดีเวลานั้นดีนเวลาจะตายมันไม่ดีทั้เวลาแหละมันไม่ได้บอกเรานี่ยเ<ะ>พราะเกิดกับตายเป็นของคู่ควรอยู่ในบุคคลคนเดียวกันขอให้พากันดูลมหายใจเจ้าของเนี่ยถ้าลมหายใจยังอยู่ก็ชีวิตจิตใจก็แท้เด๊ว่ายังอยู่ถ้าลมหายใจมันสิ้นลงไปแล้วมืดแจ้งวันปีเดือนมันจะมีอยู่สะกลับตั้งกันก็ตามมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกมันไม่ได้มาช่วยอะไรเราได้ถ้าลมหายใจได้สุดจิตสุญญ์ไปศูนสินไปเสียจัตใจเท่านั้นจากตัวของเราเท่านั้นแล้วก็หมดหวัง แต่เวลานี้ลมหายใจยังอยู่พากสร้างความดีให้ดีเป็นที่สงบังใจเป็นของไม่ตายให้พังกันจํเอาไว้ให้ดีไม่มีอะไรตายละดวงใดก็ตามขึ้นชื่อว่าใจแล้วใจศาสตว์ใจบุคคลใจเปรตใจผีใจนรกสวรรค์ที่ไปเกิดในโลกสวรรค์ก็ดีไม่มีใจดวงใดตายไม่เคยมีใจดวงใดเป็นไปเผาป่าชาไปฝังในที่นั่นที่นี่ไม่เคยมีมีแต่ร่างขรันั้นเนี่ยร่างที่ใจเข้าไปอาศัย เช่นสัตว์บุคคลตายแล้วก็เอาไปเผาไปฝังกันไม่พอาไม่ฝังทิ้งที่ตรงไหนก็เป็นป่าช้าตรงนั้นอันนั้นมันตายตายจากความผสมกันจากความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ดวงใจที่ไปอาศัยอยู่นั้นไม่ตายถ้ามีความดีก็พาไปเกิดที่ดีสูงขึ้นเป็นลําดับลาดาถ้ามีความชั่วเพราะการทําความชั่วก็กดลงไปให้เกิดในทางต่ําในที่ไม่พึงหวังล่ะเกิดที่นั่นเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกาเป็นสัตารโรคไปอย่างนั้นเป็นไม่รู้กี่มากน้อย ไอ้พอบมนุษย์เรานี้มันนิดเดียวถ้าทุกจิงร้อยเปอร์เซก็พอบแอห่งความเป็นมนุษย์เหล่านี้มีเพียงเปอร์เซนต์เดียวพอบแอห่งความเป็นสัตว์อื่นๆที่เราไม่สามารถที่จะรู้มีจํานวนมากถึงเก้าสเกปอร์ซนน่นะดูเอาพิจารณาสิจิตวิญญาณแต้มอยู่ทุกแห่งทุกคนสอดแสวงหาที่เกิดทั้งๆที่ก็เกิดเป็นพบหนึ่งอยู่แล้วในขณะนั้นยังหาสอดแสวง ห, หาที่เกิดอีกเป็นลาดับลําดาไปเนี่ยพราะหน้าแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมมาด้วยกรรมดีด้วยกรรมชั่ววด้วยกรรม ตัวทําชั่วดีกรรมก็ส่งผลให้ชั่วการทําดีตัวทําดีก็ส่งผลให้เป็นคนดีไปให้เป็นสัตว์ที่ดีน ะ, ะนนเราจึงอย่าลืมใจของเราใจเป็นตัวประกันทีเดียวว่าไม่มีตายไอ้เรื่องที่ว่าตายแล้วสูญแต่แสูญให้กิเลสมันกล่อมใจมันหลอกมา ก, กี่ต้มมากกี่กับขี่กันแล้วเลี้ยนนะขเรีย น, เ ร, ย น, เ, รยนเรียนชาวพุทธเรานักนักปฏิบัติก็ปฏิบัติเราชาวพุทธนี่ละควรที่จะรู้เรื่องของใจว่าตายเกิดหรือตายสูญแน่ๆนะ แต่นี่มันไม่รู้กันสิเพราะเหตุไรเพราะไม่ปฏิบัติกันตามหลักพระเจ้าทรงสอนไว้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าทรงสอนแล้วจะไปไหนใจอยู่กับเราแท้ๆสมาธิปัญญาอยู่กับเราแท้กิเลสก็อยู่กับเราแท้ๆเปิดกันสู้กันอยู่บนเวทีนี้ทำไมจะไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะกันแต่เขาต่อยกันบนเวทีทําไมครั้งรู้ว่าคนนั้นชนะคนนี้แพ้ไอเราต่อกับกิเลสอยู่บนเวทีเดียวกันคือหัวใจตรงเดียวกันนี้ทําไมจะไม่รู้แพ้รู้ชนะทําไมจะไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญภายในจิตใจพระเจ้าทรงสอนไว้แล้วแท้ๆ เป็นยังไงนี่แหละชาวพุทธล้วโง่ตรงนี้นะไอ้ชาวมาไวไอ้เป็นสอนที่ผู้ที่เจ้าว่าไงพุทธเท่าๆแล้วผู้วิเศษที่สดผู้รูู้้เข้าเข้าใจโลกกับวิถีรู้แจ้งโลกทั้งโลกนอกโลกในรู้ไปหมดบอกเวลาเราเป็นชาวพุทธเป็นยังไงโง่จนจะตายเออพอกินข้าแล้วหมอนยังไม่มาละมาติดคอไวแล้วือขี้เกียจทุกข์กันีนจังว่าตั้งดุ่มั้งหัวเนาะมันโกรธกันนี่แเราเอาลงตรงนี้เลย เวลามันทํามมัจะไม่ว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งเราปฏิบัติตัวของเราทําไมปฏิบัติไม่ได้ตัวของเราไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าดินฟ้าอากาศฝ้าแดดดินลมเลยหรือวันนั้นดีวันนี้ดีเวลานั้นดีเวลานี้ดีตัวของเราดีไม่ดีเมื่อไหรมาดูบ้างต้องดูตรงนี้บ้างสิคนเราถ้าอยากจะเห็นของดีเห็นของเรวที่อยู่ในตัวเห็นของเรวก็ถอดออกจากใจของตัวของเราได้ถอดออกจากตัวของเราได้เอาของดีส่ง้ามาได้เนี่ยแล้วก็มีความดีขึ้นมาภายในตัวนั่นแหละสร้างความดีให้สร้างอย่างนี้อย่าไปอยู่เฉย แล้วชาวพุทธลราโง่แท้ๆเราว่าชาวพุทธด้วยกันเป็นไรไปวะเราไม่ได้ว่าชาวไหนเนี่ยศาสนาของใครของเราเราเป็นชาวพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษวิสูตรรู้รอบขอบคิดทุกข์ทุกอย่างเหตุได้ชาวพุทธเราจึงเสียเสียเล่เสียเหลี่ยมให้กิเลสทุกประเภท ม, ม, ามามาประเภทไหนมาประเภทไหนมายอ ม, ยอมยอมยอมยอมขนาดนอก้วยนะไม่จะยอมธรรมดาแพ้นอกด้วยด้วยเอาไ ป, ไ, ปไปปฏิบตัติใจตรงนี้เป็นยังไงตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนเอามาพิสูจน์ใหามันรู้ที รู้ภายในใจตัวเองแล้วองค์อาจกล้าหาญมากที่สุดยอมพระพุทธเจ้ากราบราบเถี่ยปริพันธ์ไปกี่ปีกี่เดือนไม่ได้มีอะไรสําคัญเลยความจริงเหมือนกันหมดภายในจิตใจของเราฉันใดอันนั้นฉันนั้นอันนั้นฉันใดนี่ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละท่านว่าเอาเป็นข้อยืนยันได้กับพระพุทธเจ้าสันินี่โกสันทีโกขอให้รู้พายในจิตใจเถิดก็เท่ากับรู้พระพุทธเจ้าอยู่ในขณะเดียวกันนั่นแหละตั้งใจปฏิบัตินะสินห้าสิปสอนแทร่รวมแทรตายนี่ น, นี่นี่เรา เราได้ให้สินแล้วยังเหนือเหรอให้เราหลืองบน่าฟังนู้ลงตับบัวนี่ยังจะให้สินอีกุระดับมันลืมเงี้ยมันลืมไว้แต่นี้พระแปดลืมแล้ววันนี้เทศกรรมเทศมากมายอะไรละเทศมันเหนื่อยขอให้พี่น้องท่านหลายนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัตินะอย่าได้ลืมอัดลืมทำลืมไม่ได้ก็ช่างเถิดอย่าลืมทำถ้าลืมทำคือลืมตัวลืมตัวแล้วก็ลืมตายน่ะ คนที่ดื่มตัวคนที่ดื่มตาคือคนประมาทพลาดท่าทุกทีเ ส, ยสยียทิศเสยท่าเสียทีอย่าให้มันพลาดไปได้นะเกิดมาในพุทธศาสนานี้ศ า, าสนาเอกพุทธศาสนาเอาเอาศาสนาใดมาก็ทําเราไม่ได้ท่าไทยเราไม่ได้คุยไม่ได้อวอวดศาสนาใดจะมาแข่งสัพุทธศาสนานี่นะืสอนอริยสัจองอริยสัจคือองค์แห่งธรรมอมันประเสริฐปฏิบัติตามหลักไสยธรรมทั้งสี่ทุกสมททุทัยลดวนมาแล้วต้องเห็นความจริงเห็นความประเสริฐเชื่อพระเจ้านั้นร้อยเปเ็เลยจะปริพานธ์กี องกี่ปีกี่เดือนไม่สําคัญพระสงฆ์สาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์เชื่อลงในจุดเดียวกันหมดเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงลงแบบเดียวกันหมดรู้แบบเดียวกันหมดเห็นแบบเดียวกันหมดค้านกันไม่ได้เลยก็คือเรื่องรู้ธรรมพิเศษซึ่งอยู่ในองค์แห่งศาสนาธรร ม, ม, มทั้งสีนี้ศาสนาใดก็ตามถ้ามีองค์ศาสนาธรรมทั้งสนี้นั่นละศาสนานั้นละเลิศที่สุดแล้วจะมีที่ไหนที่นี่ก็มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาที่เลิศประเสริฐที่สุดให้เราภาคภูมิใจเราได้ถือพุทธศาสนาเรา แล้วระหวังเขาจะมาคืนเอาเนื้อเอาหนังเอาตับของเราไปกินนะเดี๋ยวนี้ศาสนาพวกเป็นยักษ์เป็นผีมันมีอยู่มากมันเท Actually, ี่ยวกัคืนศาสนานั้นคืนศาสนานี้คืนนั้นคืนนี่มันเป็นยักษ์มันไม่พอกินหาเอาของเขามาเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเป็นเลือดเป็นเนื้อของตนแล้วก็คืนเข้าไปคืนเข้าไปคืนเข้าไปศาสนาผีบ้าศาสนายักษ์ศาสนาผีศาสนาของเราไม่ต้องไม่ไปหาคืนของใครละของเรามีพอตัวเต็มเนื้อเต็มตัวของเรารับทใายดีนะเอาละพอเอ๋ยบัง าามานวอเจ็ดรักให้พรยังไม่ได้พร จ, จะทาอะไรก็ทได้ให้พรทีเดียวเลยเราไม่มีอะไรไม่หือก่ายเลให้พร น, นะทอนไ ท, อ ท, ทได้พรย า, าวาริวหาปูราป ร, ริปูเรนตีสาครังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตงุม้ังคิปเมวะสมิชชาตุสเพปูเรนตูสังกะปา ฌานโทปนะระโสยะถามิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตมันตราโยสุขีทีฆายุโกผวะอภิวาทนาศีดิสนิจจังมุท่าปจาญิโนจัตตาโรธามาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง